ยังอยู่แล้วควรทำอะไรดีหัวข้อรู้กายตอนรู้ลมหายใจพุทธพศหนึ่งมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้า 2. งเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว 3. เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นสี่สำเนียกว่าเราจักเป็นผู้กําหนดรู้ตลอดกองลมทั้งปวงหายใจออก 5. ้าสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้กําหนดรู้ตลอดกองลมทั้งปวงหายใจเข้า หสําเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจออก7สําเนียกว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจเข้าข้อความจากมหาสติปัฏฐานสูตรกายานุปัสนาอาณาปะนะบัพภะลงมือปฏิบัติสําหรับมือใหม่ ทางที่ดีอย่าลงนั่งขัดสมาธิเพราะความเมื่อยขบจะรบ ก, กวนสมาธิเราจะเอาสมาธิที่จิตไม่ใช่ท่าทางที่กายเมื่อฝึกนั่งห้อยเท้าตามสบายบนเก้าอี้พักหนึ่งจนเกิดผลจิตมีความนิ่งมีความสว่างชุ่มชื่นแล้วค่อยกลับมานั่งขัดสมาธิในภายหลังจะนั่งได้นานโดยไม่เมื่อยขบเพราะสารแห่งความสุข หลังทั่วร่างและกล้ามเนื้อผ่อนคลายเท่าที่จะผ่อนคลายได้แล้วการมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้านั้นฟังเพิเพ่อนๆเหมือนง่ายแต่เอาเข้าจริงเป็นจุดเริ่มต้นที่ยากมากเพราะคนจะไม่รู้ตามจริงแต่จะไปบังคับลมเอาตามใจอยากยังไม่ถึงเวลาเข้าก็ปีเร่งให้เข้า ยังไม่ถึงเวลายาวก็ไปเร่งให้ยาวหรือไม่ก็ใจร้อนอยากระงับความฟุ้งซ่านอยากสะกดจิตให้นิ่งโดยพลันทั้งที่ยังขาดปัดจจัยที่พร้อมพอฉะนั้นแรกสุดให้ฝึกรู้ลมตามความเป็นจริงให้ได้ก่อนเริ่มด้วยการสำรวจสังเกตว่าฝ่าเท้างอ ง, งุ้มไหมถ้า ง, งุ้มหรือเกรงอยู่ ก็คลายออกเสียวางเท้าแบรราบกับพื้นอย่างสบายพอฝ่าเท้าสบายพื้นจิตพื้นใจก็พลอยสบายตามก่อนหน้าถ้าฟุ้งมากก็จะฟุ้งน้อยลงหรือถ้าเครียดมากก็เห็นว่าเครียดน้อยลงด้วยจากนั้นจึงสำรวจว่าฝ่ามือผ่อนคลายหรือกรรมอยู่ถ้ากรรมก็คลายเสีย จะวางไว้บนหน้าตักหรือที่ไหนก็ตามแต่ถึงที่สุดให้สำรวจขั้นสุดท้ายว่าทั่วใบหน้าผ่อนคลายวางคิ้วหายขมวดขมับหายตึงหรือยังแค่สำรวจเฉยๆก็เป็นเหตุให้กล้ามเนื้อทั้งใบหน้าคลายออกหมดได้พอฝ่าเท้าฝ่ามือและใบหน้าคลายจากความฝืดฝืนทั้งหมด อุปสรรคของสมาธิก็หายไปรู้สึกถึงท่านั่งอย่างชัดเจนขึ้นมาจิตเปิดกว้างสบายพร้อมจะรู้พร้อมจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับกายใจบ้างแล้วเมื่อได้ความสบายตัวสบายใจเป็นฐานก็อย่าพึ่งเพ่งจับเข้าไปที่ลมแต่ให้ถามตัวเองว่าตอนเนี้ย ร่างกายต้องการเรียกลมเข้าหรือยังถ้าต้องการคุณจะรู้สึกถึงความขาดขึ้นมาก่อนก็คอยลากลมหายใจเข้าสบายๆพอลากเข้ามาสุดจะรู้สึกอึดอัดต้องการระบายก็ให้ระบายออกอย่างเป็นธรรมชาติวัดความเป็นธรรมชาติได้จาัด ก, การที่จิตไม่มีอาการเพ่งเล็ง ร่างกายไม่มีความเกรงที่ตรงไหนจากนั้นสำคัญที่จะทำให้จิตเริ่มเป็นสมาธิอ่อนๆคือสังเกตว่าร่างกายยังไม่ได้ต้องการลมเข้าทันทีเมื่อยังไม่รู้สึกขาดก็ไม่ต้องรีบลากลมเข้ากายจะมีความนิ่งสบายอยู่ได้ระยะหนึ่งระยะนั้นเอง จะเป็นช่วงที่จิตซึมซับความปลอดโปร่งสบายทางกายและทางใจต่อเมื่อร่างกายส่งสัญญาณว่าขาดลมอีกจึงค่อยลากลมเข้าอีกวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยนี่เรียกว่าสำเร็จในขั้นแรกคือมีสติรู้ตามจริงว่ากำลังหายใจออกหรือหายใจเข้า ผลที่ถูกต้องจะเป็นความรู้สึกว่าลมหายใจเข้าออกของมันเองเป็นอัตโนมัติเราจะสังเกตรายละเอียดอื่นๆได้เองเช่นกันเช่นเมื่อไม่หายใจตามอยากและไม่บังคับลมให้ยาวผิดจากความต้องการจริงๆของร่างกายร่างกายจะต้องการลมเข้าออกยาวบ้างสั้นบ้างไม่แน่นอนไม่เที่ยง จากนั้นคุณจะเริ่มรู้สึกว่าลมหายใจเป็นของภายนอกเข้ามาข้างในเดี๋ยวเดียวก็ต้องคืนกลับไปณจุดที่รู้สึกได้ว่าลมเป็นของอื่นเป็นต่างหากจากกายคุณจะเห็นว่าจิตผู้ทำหน้าที่รู้ก็ส่วนหนึ่งลมหายใจซึ่งกำลังแสดงความไม่เที่ยงให้รู้ก็อีกส่วนหนึ่งเป็นคนละภาคกัน จากนั้นจิตจะตั้งมั่นมากขึ้นรู้สึกนิ่งออกมาจากภายในกายของคุณจะทรงอยู่ในอาการตรงระงับความกวัดแกว่งไหวติ้งไปเองไม่ใช่ด้วยอาการเพ่งฝืนเกรงลมหายใจจะดูชัดขึ้นเป็นลำยาวราวกับน้ำตกที่ขึ้นลงอยู่ท่ามกลางอากาศว่างสว่างกว้างขวางเดี๋ยวมีสายลมเข้าให้ดู เดี๋ยวมีสายลมออกให้เห็นเดี๋ยวมีภาวะส ง, งัดจากลมให้รู้ระหว่างฝึกรู้ลมหายใจอยู่นี้หากเกิดความฟุ้งซ่านในหัวหรือบังเกิดความกระสับกระส่ายทางกายใดๆให้กลับไปนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งคือสำรวจความเกรงของกล้ามเนื้อฝ่าเท้าฝ่ามือและใบหน้า เมื่อคลายออกได้ก็จะกลับไปตั้งต้นที่ความสบายกายสบายใจรู้สึกตัวทั่วและพร้อมรู้ตามจริงได้ใหม่เสมอผลอันเกิดจากการฝึกรู้ลมหายใจได้อย่างถูกต้องคือได้ข้อสรุปกับจิตว่าลมหายใจไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแค่าธาตุลมเข้ามาแล้วออกไป เป็นคนละชุดอยู่ตลอดเวลาทุกขณะนอกจากนั้นยังได้ความรู้สึกตัวเต็มตื่นกายปรากฏชัดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องเพ่งหาว่ากายอยู่ตรงไหนเพราะลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของกายอยู่แล้วนำสติมาให้รู้สึกตลอดทั่วทั้งกายได้เองอยู่แล้วจึงพร้อมฝึกรู้ในขั้นต่อต่อไปโดยง่าย